พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่หกชื่อจุลวัคคือวัคเล็กเป็นวินัยปิฎกได้กล่าวมาแล้วว่ามหาวัคคือวัคใหญ่ซึ่งเป็นวินัยปิฎกนั้นได้แก่พระไตรปิฎกเล่มสี่และเล่มห้าซึ่งได้ย่อความมาแล้วในเล่มสี่มีสี่คันธกะหรือสี่หมวดในเล่มห้ามีหกคันธกะคือหกหมวด รวมมหาวัคมีสิบคันธกะบัดนี้มาถึงย่อความแห่งจุลวัคคือวัคเล็กจึงควรทราบว่าจุลวัคนี้ได้แก่พัตรไตรปิฎกเล่มที่หกและเล่มที่เจ็ดซึ่งยังเป็นวินัยปิฎกเล่มที่หกมีสี่คันธกะเล่มที่เจดมี8ปดคันธกะทั้งสองเล่มจึงมีส2องคันธกะรวมทั้งมหาวัคและจุลวัค มี22คสองันธกะหรือ22สองหมวดเฉพาะเล่มที่หกนี้ที่ว่ามีสี่ันธกะนั้นดังนี้หนึ่งกรรมะคันธกะหมวดว่าด้วยสังฆกรรมในหมวดนี้ได้นำเรื่องวิธีลงโทษซึ่งเคยกล่าวไว้แล้วในเล่มห้ามาขยายความเป็นข้อๆคือตัชนิยกรรมข่คมขู่นิยสากรรม ถอดยศหรือตัดสิทธิ์ปัปภาชนียกรรมขับไล่ปฏิสารณียกรรมขอขมาคฤหัตและอุเคปนียกรรมย ก, รรมยกจากหมูพร้อมด้วยวิธีระงับการลงโทษนั้นๆ 2. ปริวาสิขันธกะหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตสังฆาทิเศษ กล่าวถึงวัดหรือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ปริวาสรวม94ข้อและกระบวนการอันเกี่ยวกับการออกจากอาบัติสังฆาทิเศษเช่นข้อกำหนดในการอยู่ปริวาสการชักเข้าหาอาบัติเดิมการประพฤติมานัดและการสวดถอนจากอาบัติ 3. ส, สมุจยะคันธกะ หมวดว่าด้วยการรวบรวมคือประมวลเรื่องที่เกี่ยวกับการออกจากอาบัตสังฆาทิเศษที่เหลือจากปาริวาสิกันทกะมีเรื่องการขอมานัดการให้มานัดการขออาาัภายหรือสวดถอนจากอาบัตสังฆาทิเศษเป็นต้นสสมถะคันทกะหมวดว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ วิธีระงับอธิกรณ์เจอย่างมีอะไรบ้างได้กล่าวไว้แล้วในท้ายพระไตรปิฎกเล่มสองตอนนี้เป็นการอธิบายโดยละเอียดทั้ง7ข้อคือหนึ่งสั ม, มุขขาวินยัยการระงับแบบพร้อมหน้า 2. สติวินยัยการระงับด้วยยกให้พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติ 3. อมูลหาวินยัย การระงับด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า 4. ปตินยาตะการณะการระงับด้วยถือตามคำรับของจำเลย 5. เยพุยยาสิกาการระงับด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ 6. ตัสปาปิยาสิกาการระงับด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด 7. ตินวัถากากะ การระ ง, งับด้วยให้ประนีประนอมหรือเลิกแล้วกันไป